ตอนที่150หลีหวันทําตัวเด่นเกินไปหลีหวันแกกับแม่ของแกนางแพทย์ยาสองคนนี้มาเสวยสุขในเมืองปล่อยให้ทางบ้านวุ่นวายขายปลาช่อนเพราะพวกแกสองคนพวกแกไม่รู้สึกผิดในใจบ้างเลยหรือไงฮะโจชุนของถลิงตาจ้องหลีหวันด้วยอารมณ์พลุ่งพล่านหากสายตาคนเราฆ่าคนได้นางคงสับหลี่หวันเป็นหมื่นชิ้นไปนานแล้วหลีหวันจงใจรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยเอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้หญิงคนนี้เกิดบ้าคลั่งพุ่งเข้ามาทําร้าย โจชุนของแกคงไม่ได้คิดว่าการตามมาหาเรื่องฉันถึงโรงเรียนแล้วจะทําให้ฉันกลัวหรอกนะสิ่งที่แกกับแม่ของแกทําไว้แต่ก่อนมันน่าเชิดน่าชูตานักหรือไงลิวานเอ่ยด้วยใบหน้าเรียบเฉยฉันขอเตือนแกไว้คําหนึ่งนะถ้าไม่อยากถูกไล่ออกไปเหมือนคนสติไม่ดีก็รีบใสหัวไปใส ย, ยมาหาเรื่องฉันที่แกต้องกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะแม่ของแกนั่นแหละใครใช้ให้แกมีแม่ที่รักลูกชายมากกว่าลูกสาวและเป็นแม่คนเหมือนกันทําไมแม่ของฉันถึงรู้จักคิดเผื่อฉันทุกอย่างแกมันก็แค่พวกขี้อิจฉา ลิวันนกร้านจะใส่ใจโจชุนหงไปซะคนในบ้านแกก็ระเห็ดกลับชนบทกันไปหมดแล้วแกยังจะรังอยู่ที่นี่ทำไมอีกไม่รีสายหัวไปอีกละ่ะแกมีหลานที่ไหนพูดกับอาแทแแอของตัวเองแบบนี้บ้างแกมันไอ้เด็กเหลือขอฉันนี่มีไออย่างแกอย่ามาตีกินนับญาติแถวนี้หลิวันไม่ยอมรับสถานะของโจชุนหงนางคาดเดา ว, ว่าโจชุนหงคงไม่มีปัญญาไปอารวาสที่เขตบ้านพักทหารได้จึงได้พยายามหาทางมาก่อเรื่องที่โรงเรียนแทน แต่โจชุนหงคิดผิดมหันไม่ว่านางจะอารวาสที่นี่จนวุ่นวายแค่ไหนหลีหวานก็จะไม่แยแสนางแม้แต่น้อยความสัมพันธ์ทางสายเลือดของพวกเราสองคนมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกตอนนี้ฉันตกอับขนาดนี้ถ้าแกไม่ให้เงินฉันไม่เลี้ยงดูฉันเชื่อไหมว่าฉันจะตายให้ดูในโรงเรียนของแกนี่แหละโจชุนหงขมขู่ด้วยท่าทางดูร้ายเอาสิอยากตายก็เชิญตามสบายจะตายที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแต่บอกไว้ก่อนนะว่าไม่มีใครเก็บศพให้แกหรอก แกต้องเข้าใจก่อนว่าที่นี่คือวิทยาลัยการแพทย์สิ่งที่ไม่กลัวที่สุดก็คือศพหักตายแล้วไม่มีญาติมารับศพทางโรงเรียนคงจะพิจารณาให้แกเป็นอาจารย์ใหญ่ลหวันยกมุมปากขึ้นจ้องมองโจชุนหงอย่างท้าทายแกรู้ไหมว่าอาจารย์ใหญ่คืออะไรมันหมายความว่าเราจะใช้ของเหลวบางอย่างแช่ร่างแก่ไว้เพื่อให้แกอยู่ในสภาพที่ไม่เน่าเปื่อยได้เป็นร้อยปีพอดีเลยที่โรงเรียนเรายังขาดแคลนตัวอย่างศพอยู่ถือเสียว่าให้พวกนักศึกษาได้ใช้ฝึกมือกันโจชุนหงโหดนัก นางเด็กนี่กลายเป็นคนโหดเที่ยมขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่สมกับที่เป็นพวกที่เคยเห็นโลกว้างในเมืองมาแล้วจริงๆเจ้ชุนหงกัดฟันกรอะช่วงเวลาที่นางหนีตามผู้ชายไปนั้นชีวิตไม่ได้ดีเลยสักนิดไอผู้ชายสารเลว น, นั่นหวังเพียงแค่เงินของนางเท่านั้นหนีไปได้ไม่นานนางก็ถูกหลอกจนหมดตัวและต้องเดินเท้ากลับมาระยะทางตั้งหลายร้อยกิโลเมตรทาให้นางตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ระหว่างทาไม่รู้ว่าถูกคนรังแกไปเท่าไหรโจชุนหงไม่ยอมแพ้ในใจสุ่มไปได้ใส่แค่ น, นางตั้งใจจะสั่งสอนสองแม่ลูกหลี่วันให้เข็ดลาบทว่าพอกลับมาถึงจริงๆกลับเข้าถึงตัวพวกนางไม่ได้เลยลีชิงพิงถูกปกป้องอย่างดีอยู่ในเขตบ้านพักทหารวันวันจะไปไหนมาไหนก็มีรถรับส่งต่อให้นางไปดักรอที่หน้าประตูเขตบ้านพักนานแค่ไหนก็คงไม่มีโอกาสเผลอเผอนางเองนั่นและที่จะอดตายก่อนโจชุนหงจึงคิดจะมาเสี่ยงดวงที่โรงเรียนดูและไม่นึกเลยว่าดวงจะดีจริงๆ เพียงแต่นางเด็กนี่รับมือยากเกินไปนางหลอกเอาเงินไม่ได้เลยแม้แต่หยวนเดียวเจ้าชุนหงโกรดจัดแกตั้งใจจะบีบฉันให้ถึงทางตานันจริงๆสินาลีหวนันแกนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆฉันได้ยินว่าจุดประสงค์ที่แกมาครั้งนี้ก็เพื่อเงินบอกมาเถอะว่าต้องให้เท่าไหร่แกถึงจะยอมไปเหวินโม่โผล่ขึ้นมาข้างๆอย่างกระทันหันเจชุนหงหัวราื้แกคงไม่ใช่แฟนของหลีหวันหรอกนะ นางเด็กนิวาสนาดีจริงๆที่หาคนดีๆอย่างแกได้หืๆหน่าเสียดายที่แกยังไม่รู้เล่เหลี่ยมการอ่อยผู้ชายของสองแม่ลูกนั่นล่ะสิพวกนางต้องวังยากแก่แน่ๆเหวินโม่นี่เป็นเรื่องของช้นนายไม่ต้องมายุ่งหลิววันมองว่าเขาหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเขาไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนหรือคิดจริงๆว่าแค่ให้เงินไปเรื่องก็จบให้เงินครั้งนี้ครั้งหน้าปัญหาจะใหญ่กว่าเดิมเรื่องนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ เซวานปล่อยให้เขาอลาวาดอยู่ที่นี่ต่อไปมันจะไม่ดีต่อชื่อเสียงของเธอนะผู้หญิงเราชื่อเสียงสำคัญที่สุดให้ฉันให้เงินส่งเขาไปก่อนเถอะแล้วเรื่องหลังจากนั้นพวกเราค่อยมาคุยกันเวนโมกระซิบกับหลีหวานเสียงเบาลีหวานปฏิเสธข้อเสนอของเวนโม อ, อีกครั้งเรื่องของฉันไม่ต้องให้นายมาลำบากใจเลิกยุ่งได้แล้วถ้านายังเห็นฉันเป็นเพื่อนก็ยืนอยู่ตรงนี้เฉยๆไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น นายก็รู้จักนิสัยฉันดีถ้านา ย, ยินจะฝืนมายุ่งเรื่องของฉันฉันก็จะไม่นับนายเป็นเพื่อนอีกต่อไปหลีหวานไม่ได้พูดเล่นกับเขาคนอย่างโจชุนหงไม่คู่ควรจะได้เงินแม้แต่หยวนเดียวหลีหวานนางเด็กนี่รู้จักแต่หาเรื่องให้ฉันจริงๆโ จ, จชุนหงแผดเสียงตะโกนพร้อมกับทำถ้าจะพุ่งเข้ามาคิดบัญชีกับนางหลีหวานเบี่ยงตัวหลบไปด้านข้างเหวินโม่พยายามจะปกป้องหลี่หวานผลคือเขาถูกโจชุนหงตบหน้าเข้าฉาดใหญ่เสียงเพี้ย แตงสนันแค่ฟังจากเสียงก็รู้ว่าแรงตกไม่เบาเลยหลหวานเห็นเขาถูกตกก็นึกในใจว่าคนคนนี้หาเรื่องใส่ตัวแท้ๆมันคือการหาเรื่องใส่ตัวโดยใช่เหตุนางไม่ใช่ว่าไม่รับความหมังดีของเหวนโม่แต่เหวนโม่ไม่เข้าใจเลยว่าระหว่างพวกนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างโจชุนหงไม่คู่ควรกับความเมตตาใดๆทั้งสิน้นอย่าขยับหลหวานยังไม่ทันได้ลงมือทําอะไรโจชุนหงก็ถูกกลุ่มคนที่พุ่งเข้ามาจับกดลงกับพื้นอย่างรวดเร็ว โจชุนหงงงวยไม่รู้ว่านี่มันสถานการณ์อะไรกันคนกลุ่มนี้ดูเหมือนบดิกาที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีหลี่หวานกว่าสายตามองพวกเขาครู่หนึ่งก่อนจะสังเกตเห็นหยวนเซ้าเหงิงพี่แววตาของหยวนเซ้าเหิงจะอ่อนโยนลงก็ต่อเมื่อมองมาที่หลีหวานเท่านั้นลืมดูเหมือนวันนี้พี่จะมาได้ถูกจังหวะพอดีนางเริ่มหาเรื่องเธอตั้งแต่เมื่อไหร่หยวนเซ้าเหิงถ า, ถามถึงโจชุนหงวันนี้ค่ะ หลีหวานตอบตามความจริงไม่ได้ตกใจใช่ไหมหยวนเศร้าเหิงเอ่ยพลางโบกมือให้บัณฑิการพวกเขาจึงคุมตัวโจชุนหงออกไปทันทีหลีหวานอื้อปากของโจชุนหงถูกปิดสนิทหยวนเศร้าเหิงเหลือบมองเหยวนโม่แวบหนึ่งก่อนจะส่งสัญญาณให้หลีหวานตามเขาไปคุยกันบนรถพี่คะเสี่ยหวานพวกคุณตั้งใจจะพานางไปไหนเหยวนโม่ก้าเท้าไปข้างหน้าสองก้าวมองไปรอบๆด้วยความระแวดระวัง ฉันว่าช่างมันเถอะแค่โยนานางไว้หน้าประตูก็พอเธอทําเรื่องใหญ่โตแบบนี้มันจะหาเรื่องใส่ตัวเอาได้นะหลีหว่านต่อให้ไม่คิดถึงตัวเองก็ควรจะคิดถึงพ่อของนางบ้าไม่ใช่หรือทําตัวเด่นเกินไปแล้วหากผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรไปหลีหว่านจะเป็นคนแรกที่ถูกเรียกไปสอบสวนยังเป็นคําเดิมที่พูดไปเมื่อกี้เรื่องของฉันไม่ต้องให้นายมาลําบากใจในจายจัดการเรื่องของตัวเองให้ดีเถอะพรุ่งนี้ที่บ้านศาสตร์สตรีเจียฉันคงไม่ไปแล้วฝากนายบอกท่านด้วย น้ำเสียงของหลีวันแฝงไปได้วยความห่างเหินอย่างชัดเจน